พุทธวัชรสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะ 8 เดือนที่ผ่านมานี่ เพราะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีมากนะค่ะน้องสกาลกันแล้วคะเจริญพานๆหรือ แต่ว่ามีคนเนี่ยตัวมันคือบางทีมันพูดคนเดียวมันก็พูดเรื่องที่เราเอ่อรู้ไปบอกไปเท่าว่าเอ๊ะเรา จัดแบบไหนดีชักงงๆท่านคะแต่อะไรก็ตามไม่ได้ทอดทิ้งในค่ะอ่าซึ่งโยนิโสมนสิการนี้เราต้องทําค่ะ <ileri> แต่ดิฉันสังเกตอ่ะนะคะว่าเรื่องของความไม่เที่ยงเนี่ยเราจะ<ใช> อันนี้ก็เกิดขึ้นได้ธรรมดาเลยนี้ก็เกิดขึ้นได้ธรรมดาเลยเอ่อพูด 108 ตถาคตภาษิตที่ท่านไพบูลย์ สิ่งต่างๆในโลกเนี่ยล้วนเป็นไปอืมเอ่อใช่สิ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเป็นของมีปัจจัยประงครับและประณีตกว่า ขันธ์ 5 ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเอ่อเป็นของที่ไม่เที่ยงมีความๆๆๆๆมานะอ้าวตอน เรากําลังถูกแม่น้ําซัดไปเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างมันจะมีเหวเร นั่นเปรียบเฉือนเหมือนกันฮะถ้าเราไปจับยึดถือดูดโดนอสุรกายทําลายได้ ใช่ยึดถือใช่คําว่ายึดถือทั้ง 5 รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ทีนี้คนที่พระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาปรมัยนี้นะดีมากเพราะว่าสมมุติเราจะที่น้ํามันแรงมากเลยเนี่ยแล้ว นะคนเราถูกน้ําซัดพาไปอยู่เนี่ยนะเค้าก็ นะถ้าเราไหลไปตามกระแสของตัณหาสุดท้ายมันจะพัดพาเราไปเนี่ยมันจะไปโดนเอ่ออสุรกาย 5 มันไม่เที่ยง นะ ยonisomnasanika ก็คือการพิจารณาโดยหลักของอริยสัจ 4 นั่นเองค่ะอันนี้ท่านกําลังพูดเหมือนกับว่าขันธ์ทั้ง 5 ของเรา แล้วเราก็เราก็โอ้เรื่องที่เกิดขึ้นกับเค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องอนิจจังจริงๆเลยนะอืมเราคิดว่าๆแล้วทําไมไม่เป็นๆอันนี้เรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะ มันต้องมาจบที่ตัวของเราเองต้องมาจบที่ตัวเราเองนะเพื่ออะไรเพื่อเนี่ยอืมเมื่อมาเป็นตัวเราเองซึ่งอย่างนี้ใช่เลยอ่าเพราะ ทีนี้พอบางพาราพิจารณาเอ๊ะตัวเราก็อาจจะเกิดได้นะมันไม่อาจจะจบแค่นี้อยู่ที <Yeah. S 1> นั่นก็คือหมายความว่าจิตของเรารู้แล้วอ่ะค่ะคือจริงๆดิฉันก็ๆแต่ก็เกรงว่าเดี๋ยว ใช่มั้ยคะท่านบทมานานทุกคนก็ ไปถึงความไม่เที่ยงอันนี้จะได้ถูกมั้ยคะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากคุณดมติเพราะว่าบางคนเนี่ย อันนั้นเรียกว่าไม่แคร์อันนั้นเรียกว่าไม่มีการสํารวมระวังเมื่อยแม้ถึงตัวเราเองนะสมมุติเราเห็นเหตุการณ์นี้ถ้าเราเออปล่อยปล่อยมันก็เรื่องธรรมดาคุณแบบปล่อยวางอันนี้ไม่ถูกนะคุณข้ามขั้นตอนขั้นตอนจริงๆก็คือว่าเราเห็นก่อนนะขั้นตอนจริงๆอย่างที่ที่ 5 ใช่มั้ยค่ะโอเค แม้มันอาจจะไม่เที่ยงนะโอ้เราเห็นบ่อยให้รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 คิดใคร่ควรพิจารณาตรงเนี้ยคือการใคร่ควรพิจารณานะเราสมรมนินทรีย์ด้วย นะมีการสมมุติ NC ไม่ให้กูสนธรรมเข้ามาจิตเป็น 1 ไมด้วยพิจารณาปึ๊บนะเราทําบ่อยๆตรงนี้เราจะโอ้มันไม่เถียง ต้องต้องพิจารณาให้มันเกิดความหน่ายให้มันค่ะเอ่อน้องคือพูดถึงหน่ายแล้วปล่อยวางอาจจะดูไกลเกินไปนะคะแต่ถ้าในกรณีที่พิจารณาแล้วพิจารณา ดูที่ตัวเราเองให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองที่ตัวเราเองให้เกิดประโยชน์กับค่ะแต่แต่ว่าเหมือนกับว่าไอ้การๆอย่า มาบอกตัวเราเองว่าเราก็ต้องพยายามต่อไปในเป้าหมายของเราอ่าอันนี้คือ นั่นคงอาจจะพิจารณาให้เห็นตามรูปธรรมตามธรรมของที่มันจะเกิดๆปล่อยวางอันนี้คือ <entertain> ผู้เกี่ยวข้องกับกรณีอันนี้มันเกิดประโยชน์หรือเสียหายอย่างไรมั้ยคะกุศลจิตของเราอยู่ในแดนกุศลอันนี้ถึงจะถูกนะเพราะว่าถ้าจิตของ เอ่อมันจะทําสัมมาสมาธิสมาสติให้เกิดขึ้นน่ะมันจะยากค่ะก็คือสรุปแล้วเกิดอะไร นะเราที่ 4 ขั้น 5 ขั้นตอน 3 คุณ 4 คุณ 5 คุณปล่อยวางได้เนี่ย 1 ขั้น 2 นะเราทําซ้ําตรง นะ, นะ, 4 5 มันก็จะก้าวไป นะเหตุการณ์นี้อาจจะเราอาจจะไม่พอใจล่ะแต่เราพยายามเปลี่ยนความเอ่อที่เป็นอืมก็คิดว่า นะคะแล้วก็มีกําลังใจที่จะศึกษาใช่นะคะวัน ทางวัดป่าทางเอสเอ็ม 106 วิทยุครอบครัวข่าวซึ่งจะมาพบกับท่าน